นโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข อ, อนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ข อ, อนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานพิชานยัง อยู่ในปีใหม่หรือเปล่าตอนนี้ปีใหม่ใครหลงโลกมากขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมบางคนบอกยังไม่ปีใหม่ยังยังไม่ถึงตุดจีนแล้วแต่ใครจะถือแบบไหนนะปีใหม่นี้ก็มีหลายแบบแบบสากลแบบจีนแบบไทยแต่ถ้าชาวพุทธเนี่ยจะถือเอาวันวันไหนชาวพุทธถือวันไหน รู้ไหมชาวพุทธถือปีใหม่กันตอนไหนจะเปลี่ยนศักราชแบบชาวตะวันตกนี่ก็เปลี่ยนกันตอนวันที่หนึ่งมกราใช่ไหมเปลี่ยนคนแบบคนจีนก็เปลี่ยนกันตอนตุตจีนเปลี่ยนแบบคนไทยนี่ก็เปลี่ยนตอนไหนตอนเมษาใช่ไแต่ชาวพุทธเนี่ยเวลานับคือนับว่าพระพุทธเจ้าป ร, ริลึนทิพานมาแล้วกี่ปี เวลานับการนับศักราชหรือนับปีของชาวพุทธนะคำว่าพุทธศักราชหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานมาแล้วกี่ปีจากนั้นนับวันไหนวิสาขะนับวิสาขะถ้านับแล้วเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานมาแล้วกี่ปี <laughs> ประมาณประมาณเอานะสองพันห้าร้อยห้าสิบหกปี ท่านให้นับอย่างนี้เนี่ยคว่าพอสอเนี่ยนับแล้วให้เตือนใจตัวเองให้ไม่ประมาทเราเกิดมาบุญน้อยมีบุญเหมือนกันแต่บุญน้อยไม่เจอองค์องค์เป็นเป็นภาษาไวรุ่นเดี๋ยวนี้องค์เป็นเป็นมามาพบเอาตอนที่ว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วถึงสองพันกว่าปี แต่ก็ยังมีบุญที่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีบุญคือมีบุญเหมือนกัน ค, รรคําสอนของพระองค์ยังถูกรักษาเอาไว้พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังถูกรักษาเอาไว้แต่ถ้าเรายังหลงระเริงกับโลกหลงระเริงกับโลกมันก็จะพลาดพลาดจากคําสอนของพระองค์ ค, รรครรําสอนมีอยู่คําสอนได้มีอยู่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ยังมีผู้ปฏิบัติตามครรําสอนอยู่มีผู้เห็นผลตามคําสอนอยู่ด้วย แต่คนที่ไม่สนใจเลยก็มีใช่ไหมไม่สนใจเลยเข้าละเริงอยู่กับโลกระเริงกับสิ่งที่เห็นด้วยตาสิ่งที่ได้ยินด้วยหูส่วนใหญ่ก็จะหลงทางนี้มากหลงไปดมก็มีเหมือนกันหลงไปกินโอ้หลงไปกินที่ก็เยอะนะไปกินหลงไปคลําคลํานี่ก็ปัญหาใหญ่เหมือนกันหลงไปคลําเลยนะหลงไปสัมผัสสัมผัสรวมแล้วก็คือ หลงในกามหลงในกามตัวหลงในกามเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่สิ่งแรกเลยพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ากามนี้ให้ความสุขกามนี่มีความสุขจริงแล้วเห็นหนุ่ ม, หม ò, ๆหล่อๆเห็นสาวๆ ส, สวยๆใจมันชื่นขึ้ น, นมานะโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านวัยหนุ่มไปแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยอะไรประมาณนี้นหรือผ่านวัยสาวไปแล้วเห็นหนุ่มๆก็กระชุ่มกระชวยอยากจะเปิดเนอร์สเลอรี่อย่างนี้ เลี้ยงเด็กมีความสุขจริงนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามีความสุขได้จริงจากการเสพกามเสพกามไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศนะมันเด่นเรื่องเพศแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศมีความสุขจริงแต่สุขนั้นไม่ยั่งยืนแล้วยังแฝงโทษ ด, ด้วยเพราะเป็นสุขที่คนในโลกนี้นึกได้แล้วก็หวังว่าจะได้ การนึกได้และหวังว่าจะได้แล้วไม่เห็นความสุขอื่นที่จะยิ่งไปกว่านั้นมันก็เลยแย่งกันและมันมีจำกัดมีจำกัดแย่งกันแย่งกันด้วยดีไม่ได้ก็แย่งกันแบบผิดศีลท่านเปรียบเหมือนกับว่าอีแรงเี่ทำไมต้องเป็นตัวเมียเนาะไอแรงก็ได้เนาะนกแรงเออเป็นกลางกลางเพศไหนก็ได้นกแรงคาบชิ้นเนื้อมาชิ้นนึง แล้วก็ถูกนกแรงตัวอื่นรุมแย่งรุมจิกสิทธิเด็ดขาดในชิ้นเนื้อนั้นไม่มีมีแต่คนจะรุมแย่งเวลาเราเสพกามหากามกันอยู่เนี้ยที่มันลำบากรู้สึกปากกัดตีนถีบรู้สึกไหมชีวิตของคนเราเนียนะเวลามุ่งที่จะเลี้ยงชีวิตด้วยกามเนียมุ่งหาทำงานหาเงินจะทำงานแบบเงินเดือนหรือทำแบบอิสระ มันก็ปากกัดตีนถีบก็ได้วยกันคนเรารูปแบบกันเท่านั้นเองรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยภาพรวมแล้วก็คือปากกัดตีนถีบกัดคนอื่นถีบคนอื่นไม่ได้ถีบตัวเองปากกัดตีนถีบแล้วก็ถูกคนอื่นถีบมันแย่งกันเหมือนนกแรง้งบินมาคาบชิ้นเนื้อมาัาได้ชิ้นหนึ่งดีใจได้แป๊บเดียวแล้วก็ถูกนกแรง้งเป็นฝูงเลย รุมกันแย่งชิ้นเนื้อนั้นแล้วชิ้นเนื้อนั้นก็หลุดจากปากไปเปรียบเหมือนหมาแทะกระดูกเคยเห็นหมาแทะกระดูกไหม mm hmm. ก็อ ร, อร่อยนะอ ร, อ, รอร่อยจากการที่ได้งับได้แทะได้เลียได้ดูด <c oughs> ได้ดมกลิ่นกระดูกกันนั้นแต่อิ่มไม้มไม่อิ่มเวลาเราเสพการมด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็มีความสุขแต่ลองสังเกตดูว่ามันไม่อิ่มเศกแล้วอร่อยแล้วอยากได้อีกเศกแล้วอร่อยแลอยากได้อีกให้บอกตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังเหมือนหมาแทะกระดูกอย่าได้ปลื้มใจดีใจสังเกตดูตัณหาในใจจริงๆแล้วไม่หมดมันได้แล้วอยากได้อีกได้แล้วอยากได้อีกอยากได้ดีกว่านั้นด้วยเหมือนหมาแทะกระดูก ชื่นชมกับกระดูกชิ้นนั้นที่จะของโยนให้หรือใครให้ก็แล้วแต่ไม่อิ่มจริงนไม่อิ่มจริงท่านเปรียบไว้เยอะนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับโลกแล้วถ้าได้ฟังคำสอนการเปรียบเทียบ ก, การแสดงของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยจะไม่หลงกับโลกนานนักห้ามไม่ได้ที่จะให้หลง หรือห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้หลงมันหลงอยู่แต่ก็หลงไม่นานนักเพราะว่าจะมีคําสอนมีมีคำของพระพุธองค์เนี่ยโดยที่ท่านเปรียบเทียบเข้ามาเนี่ยมาเตือนใจถ้ายังไม่เห็นโทษของกามมันก็จะยังสร้างเหตุให้เกิดให้ตายวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรไม่เห็นโทษของสังสารวัตรู้จักสังสารวัตใช่ไหม สังสารวัตคือการเวียนเกิดเวียนตายวัตฏะนี่คือวนวนวนเกิดวนตายไม่เห็นโทษจากการวนเกิดวนตายบางคนก็อยากจะเกิดอีกทำบุญแล้วอยากจะเกิดเป็นนางฟ้านี่ก็คือเกิดอยากจะเกิดเป็นเทพบุตรจะได้มีนางฟ้าเยอะๆนี่ก็เกิดเหมือนกัน <laughs> แต่เป็นนางฟ้าไม่อยากมีเทพประบุเยอะๆใช่ไหม <laughs> คือ ตอนอยากเป็นเทวดาก็อยากจะเสพการที่ละเอียดประณีต ย, ยิ่งขึ้นก็คือไม่อิ่มยังไม่อิ่มอยากได้กระดูกชิ้น ง, งามๆกว่านั้นอยากเป็นหมาที่มีกระดูกชิ้น ง, งามๆกว่านั้นกลิ่นหอมกว่านั้นแต่ในสายตาของพุทธเจ้าลวมันก็คือหมาเลียกระดูกแทะกระดูกนั่นเองจะเป็นเทวดาก็คือกระดูกกระดูกอาจจะเป็นกระดูกที่ผ่านการทอดมาแล้ว ถ้ายังไม่เห็นโทษในการเวียนเกิดเวียนตายนะก็ยากที่จะจะออกจากสังสารวัตพูดง่ายๆก็คือยากที่จะเกิดมรรคผลลองสังเกตใจตัวเองว่าเรา ย, ยังยินดีในการรับความสุขจากการเสพการไหมยังยินดีที่จะเกิดต่อไปอีกไหมยังมีตัณหาอีกไหมมีอยู่แล้วละ่ะ มันรุนแรงขนาดไหนยังเกิดต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนมีสติรู้ไอ้ตันหานี้ต้องเรียกไอ้ตันหานี้มากน้อยหรือบ่อยแค่ไหนคนที่เขาเห็นธรรมะเห็นคือเห็นความจริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาได้ฝึกหรือมุมมองที่เขาเห็นก่อนก่อนที่จะได้ธรรมะคือเห็น ความน่ากลัวของการเกิดการตายเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏจากการเห็นตัวอย่างในชีวิตจริงจากตัวเองก็ดีหรือจากมนุษย์หรือจากสัตว์ทั้งหลายที่เห็นอยู่เนี่ยว่าพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนแปลง เ, เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลจิตดวงนี้เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลคนนี้กําลังดีๆอยู่เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นไม่ดีจากการที่เผลอ อิจฉาเขาเพลออยากได้เพลอโกรธเพลอโลภเพลอหลงแล้วไม่รู้ทันกิเลสเหล่านั้นจากคนที่รักดีกลายเป็นคนเลวปแปลกไหมทุกคนอยากเป็นคนดีใช่หมมีเพลงเตอ๋อใครใครเกิดทันฟังไหมอาตมาฟังประโยคนี้แลชอบมากเลยทุกคนอยากเป็นคนดี แต่จริงๆไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าเป็นยังไงเต๋อยังไม่บอกเพราะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่พระเจ้ารู้แล้วว่าเพราะไม่มีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นทุกคนอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีใครไม่อยากเป็นคนดีบ้างยกมือสิเกิดมาฉันจะเป็นคนเลวไม่มีนะอยากเป็นคนดีอยากเป็นพระเอกอยากเป็นนางเอกไม่อยากเป็นพระรองไม่อยากเป็นนางรองอยากเป็นพระเอกอยากเป็นนางเอก เวลาดูทีวีดูละครจะสมมุติตัวเองว่าเป็นเหมือนเป็นนางเอกเราอยากเป็นคนดีแต่มันดีไม่จริงสักทีหรือดีจริงก็ดีจริงแป๊บเดียว <c oughs> เพราะตอนที่มีกิเลสเกิดขึ้นมาไม่รู้ทันมันเวลาเราทาตามกิเลสกลายเป็นคนเลวเพราะจิตมันเลวนะั <c oughs> นั้นสิ่งที่ ท่านทั้งหลายที่ได้ดิบได้ดีด้วยการปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะขึ้นมาเนี่ยจงนวนมากเลยเนะเห็นความน่ากลัวของการเกิดการตายเวียนเกิดเวียนตายเห็นความน่ากลัวของการวนอยู่ในสังสารวัตรคือมันไม่จบไม่สิ้นความไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันมันหลงได้ง่ายตั้งแต่หลงอยากได้ดีแล้วเนี่ยมันก็เผลอ หลงเห็นดีเห็นงามในกับกิเลสไปด้วยครั้งหนึ่งพระกรินะขอเล่าประวัติของพระกริสักนิดหนึ่งพระกริเกิดคิดขึ้นมาว่าเออเราปฏิบัติมาน่าจะตอนนี้น่าจะถึงโสดาบันแล้วนะนึกในใจนะตอนนี้น่าจะถึงโสดาบันแล นึกแล้วว่าเอ๊ะแล้วถาโซดาบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะถ้าโสดาบันเนี่ยมันจะเกิดอีกประมาณไม่เกินเจดชาติโอ้เจ็ดชาติพอคิดถึงว่าจะเกิดอีกแค่ไม่เกินเจ็ดชาติก็นึกขึ้นมาว่าเราจะไม่ได้เจอพ่อเจอแม่แล้วชักอะไรอววร์แล้วจะไม่เจอคนที่รักไม่เจอเพื่อนไม่เจอพี่ไม่เจอไม่เจอคิดไปคิดมามีเสียงด่ากับ โทรไอกริตยุ่มอย่าไปเอาตามนะอันนี้ให้พระกริดด่าไอกริสนะไอกริตรุ่มถ้ายังอาไลอาวรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกยังเขาเรียกว่ายังรักในสังสารวัตอยู่ยังอาไลอาวรในสังสารวัตไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าโยมยังยังมีความอาไลอาวรในสังสารวัตรยังอยากจะเกิดเจอคนนั้นเจอคนนี้ แสดงว่ายังมีความสุขยังหวังจะได้ความสุขจากการเจอคนนั้นคนนี้หวังได้ความสุขจากการเกิดแต่ไม่ได้ให้ความความคิดเห็นว่าเพราะฉะนั้นคนที่เราเกี่ยวข้องอยู่นี้เป็นภาระของเราเราจะตัดทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะให้ทำหน้าที่เพราะาเราเราเกิดมาแล้วมีฐานะอะไรต่างๆติดตัวมาแล้วเนี่ย ให้ทำหน้าที่ให้สมกับฐานะให้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วเราจะกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ทำโทษเกิดโทษให้กับตัวเองปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดโทษกับตัวเองเกิดมาแล้วทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ไม่หวังว่าจะไปเกิดอีกเพื่อทำหน้าที่นี้อีกเพราะทุกครั้งที่เราระลึกถึงการมีชีวิตอยู่ในโลกจะเห็นทุกข์จากการเกิด ถ้าเห็นทุกข์จากการเกิดได้ใกล้แล้วถือว่าเรียกว่ามีจิตใจโน้มน้อมเพื่อมากผลเหมือนที่พระพุทธเจ้าในคืนตัดสู้พระองค์ก็ระลึกชาติได้เวลาระลึกชาติของพระองค์เนี่ยเห็นว่าเกิดเป็นอะไรเป็นอะไรมาตลอดพระองค์ระลึกได้จนไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งหนึ่งที่พระองค์เห็นผลจากการที่เห็นว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรเนี่ย ไม่ได้เกิดความดีใจหรือสําคัญตนว่าเก่งว่าหรือลกชาติได้หรือว่าไปติดกับอดีตชาติไหนชาติไหนสิ่งที่พระองค์ได้ก็คือว่ามีความรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเกิดชาติไหนก็ทุกทุกทีทุกชาติที่เกิดคือทุกทุกทีรวมทั้งชาตินี้ด้วยย้อนไปไม่ว่าชาติไหนชาติไหนการเกิด สิ่งที่ติดมากับการเกิดทุกครั้งคือทุกทุกทีนี่คือวิชาแรกที่พระองค์ได้วิชาที่สองก็คือหลังจากที่ดูดูตัวเองเกิดในสังสารวัตที่ผ่านมาก็สงสัยว่าและคนอื่นเป็นยังไงสงสัยว่าคนอื่นเป็นยังไงก็น้อมจิตนีไปไปดูไปดูการเกิดการตายของสรรพสัตว์อื่นๆ ก็เห็นสรรสัว์อื่นเดี๋ยวก็เกิดในสุกติเดี๋ยวก็ไปเกิดในทุกติเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายไม่พ้นจากทุกและเกิดที่ไร ก, ก็ทุกทุกทีเห็นคนอื่นทุกเห็นตัวเองทุกเห็นคนอื่นทุกจากการเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏคราวนี้ก็มาน้อมถึงเหตุในวิชาที่2องนั น, นะที่แรกเนี่ยเห็นการเกิดการตายของตัวเองเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติยาน เห็นการเกิดการตายของตัวเองในอดีตเห็นการเกิดการตายของสัตว <laughs> ์อื่นจุตูปปาตยานจุตูปะปาตยานคือเห็นการจุติและอุบัติของสัตว์อื่นจุติจุติแปลว่าอะไรแปลว่าตายนะสมัยก่อนเนี่ยจะมีกรอนอันหนึ่งที่พาให้เข้าใจผิดเทพบุตรจุติลงมาเกิดก็เลยมีความเข้าใจว่าจุติแปลว่าเกิดไม่ใช่จุติคือตายเทพบุตรจุติคือเทพบุตรตาย จากเทวดาแล้วลงมาเกิดถ้าไม่ตายยังไม่เกิดต้องตายจากเทวดาก่อนแล้วค่อยมาเกิดจุตูปปาตยานแต่คําคู่กับจุติที่แปลว่าเกิดเนี่ยใช้คําว่าอุบัตเหมือนอุบัติเหตุ mm hmm. เหตุที่เกิดขึ้นจุตูปปาตยานคือจุติและอุบัต mm hmm. เห็นการจุติและอุบัตของสัตว์ทั้งหลาย mm hmm. นี่วิชาที่สองที่พระองค์ได้เมื่อเห็นการเกิดของตนเอง การตายของตัวเองเป็นทุกข์เห็นการเกิดการตายของสัตว์อื่นก็เป็นทุกข์น้อมไปดูว่าสาเหตุมาจากอะไรคราวนี้ก็เห็นสาเหตุออกมาเป็นกระบวนเลยกระบวนของทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาเป็นท่านเรียกว่ากระบวนธรรมคือมาเป็นเป็นพรนเลย <c ười> ติดมันมันพวง <c ười> เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสิบสองเรื่องสิบสองหัวข้อ เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะเพราะมีการเกิดการเกิดในภาษาบาลีเรียกว่าชาติชาติชอช้างสระอาตอเต่าชาติแปลว่าการเกิดคนไทยคําว่าชาติกลายเป็นเรื่องของกลุ่มชนใช่ไหมแต่ชาติในภาษาบาลีในหลักธรรมแปลว่าการเกิดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายก็คือมรณนะชาติปีทุกขามรณะปีทุกครั้งเป็นคําที่เป็นชุดคู่กันมา ที่มีเกิดเพราะอะไรเพราะว่ามีมีที่เกิดมีพบพบนี่ก็คือเป็นสภาวะธรรมในกระบวนํารอันนี้ที่เป็นเหตุของของทุกข์ทั้งหลายยากไปไหมเรื่องนี้ยากไหมบางคนใหม่ๆนะอาจจะมึนนะเอาเป็นว่ามันมีเหตุขึ้นมานะมันมีเหตุขึ้นมาปฏิจจสมุปบาทถ้าว่ามันยากไปเนี่ยย่อก็ได้นี่มีฉบับย่อ เอาเอาง่ายๆนะส2บสองข้อของปฏิจจสมบทบาทเนี่ยย่อให้เหลือสามก็ได้สามอย่างที่ทำให้วนเกิดวนตายอยู่เนี่ยคือมีกิเลสมีกิเลสขึ้นมารู้ไม่ทันกิเลสก็ไปสร้างกรรมทากรรมทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมคือวิบากกิเลสกรรมวิบากสามอย่างเนี่ยเป็นตัวพาวนเกิดวนตาย สามอย่างนี้ภาษาบาลีเรียกว่าไตรวัดไตรแปลว่าสามวัดตะแปลว่าวนไตรวัดแปลว่าเหตุที่ทาให้เวียนเกิดเวียนตายไม่ไปไหนสักทีไม่ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานสักทีมีกิเลสขึ้นมากิเลสมีอะไรบ้างตัวใหญ่ๆก็มีราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นและไม่รู้ทันนะไม่รู้ทันก็สร้างกรรม สร้างกรรมก็คือมีการกระทำตามกิเลสบ่งการสร้างกรรมได้ทางไหนบ้างสร้างกรรมทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมคิดแล้วสร้างกรรมแล้วนะแปลกัหมสร้างกรรมและในความคิดนี้พูดออกมาเรียกว่าวจีกรรมสร้างกรรมทางคำพูดทางวาจาสร้างกรรมด้วยการกระทำทางกายแล้วว่ากายกรรม กายกรรมไม่ใช่ไปห้อยโหนกายกรรมฉีดยิ้มไปเรื่อยๆนี่นกไม่ใช่กายกรรมคือการจงใจกระทำโดยการแสดงออกทางกายมีจิตที่มีประกอบไปด้วยเจตนาทุกครั้งที่มีเจตนานั่นคือการสร้างกรรมมีเจตนาพูดก็คือสร้างวจีกรรมวจีกรรมไม่ใช่เฉพาะเปล่งเสียงนะใช้ท่าทางก็ได้ โอเคโอเคอน ไ, ไม่มีการออกเสียงยโชว์อย่างนี้ก็ก็เป็นการสร้างวัจจกก ร, รมคือเป็นการสื่อภาษ า, าเขียนเป็นคำเฟซบุ๊กส่งไลน์วอตแอบอะไรหมดเป็นวัจจกก ร, รมทั้งหมดมีเด็กคนหนึ่งไปผ่านพระพุทธรูปปางคล้ายๆองค์นี้แหละท่านทำท่านทำอย่างนี้ เป็นเด็กฝรั่งลูกครึ่งถามแม่แม่ดูสิพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเด็กมึงเข้าใจเข้าใจพูดกับพระพุทธรูปแม่ก็บอกเออเราไม่เคยมองพระพุทธรูปในแง่นี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยโอเคแล้วพอดีแล้วเด็กต้องแปลให้แม่ฟัง เอ๊ทำไมมาถึงเรื่องนี้ถึงเรื่องกรรมอยู่ใช่ไหมกรรมเนี่ยมันมีทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเป็นการแสดงออกกับโลกเวลาเรามีกิเลสขึ้นมาแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกับโลกยังไงก็แสดงออกทางด้านกายกรรมทางด้านกายก็เป็นกายกรรมด้านวจีคือคำพูดการสื่อสารเป็นตัวอักษรหรือเป็นท่าทางภาษาท่าทางก็มีบางทีถลึงตาใสเขาเนี่ยก็เป็น การทั้งกายกรรมและวจีกรรมประกอบกันเพราะมันสื่อภาษาไปด้วยมนโนกรรมบางศาสนาเนี่ยเขาจะไม่ถือว่าแค่ความคิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่เป็นการสร้างกรรมเขาจะถือเพียงแค่ว่าถ้าทำออกมาแสดงออกทางกายหรือแสดงออกทางวาจาเนี่ยเป็นการสร้างกรรมมีการถกเถียงกันท่านก็ถามว่า เคยได้ยินไหมว่าฤาษีที่สำเร็จฌานสามารถสร้างไฟสามารถทำไฟทำกระสินไฟแล้วเอาไฟนั้นมาเผาเมืองทั้งเมืองเคยได้ยินไหมคือ <c oughs> ในอินเดียเนี่ยนะก็ <c oughs> จะมีประวัติฤาษีองค์นั้นองค์นี้มีฤทธิ์มีเดช พระพ เ, เจ้าก็ถามผู้ที่เข้าใจผิดคนนั้นว่าการสร้างกรรมด้วยด้วยจิตด้วยจิตเนี่ยนะเพ่งกระสินไฟให้เกิดไฟแล้วเอาไฟนั้นไปเผาคนอื่นเผาได้ทั้งเมืองเลยเนี่ยมีไหมมีมีจริงเขาก็ยอมรับว่ามีจริงถ้าคุณใช้ความเพียรทางกายในการจุดไฟเพื่อให้เผาทั้งเมืองเนี่ยกับใช้ความเพียรเพียงแค่ทางจิต เพ่งกรสินแล้วเผาปรุงไปเนี่ยอันไหนสําเร็จง่ายกว่ากันบอกทางจิตสําเร็จง่ายกว่าแล้วอะไรที่มันรุนแรงกว่ากันเขาก็ยอมรับว่างั้นยอมรับแล้วว่าทางจิตเป็นมโนกรรมที่มีผลรุนแรงกว่ากรรมทางด้านอื่นทางกายทางวาจาจะไปด่าให้เขาตายกันไปทั้งเมืองเนี่ยคงไม่มีหรือจะใช้ออกแรงเพื่อให้เขาตายทีเดียวทั้งเมืองเนี่ย ก็อยากออกแรงมากแต่ด้วยจิตเนี่ยถ้าคนที่เขามีกำลังจิตที่เข้มแข็งแก่กล้าเอาความเข้มแข็งทางจิตไปใช้ในทางที่ผิดก็มีอย่างเช่นตัวอย่างเนียเพ่งกระสินไฟแล้วไปทำลายเมืองทั้งเมืองก็ยังได้เดี๋ยวนี้เขาก็มีใช่ไหมส่งสคออสรู้จักไหมส่งคุณใส <laughs> สคสรส่งคุณใส ก็ใช้วิธีทางจิตสร้างกรรมด้วยจิตเหมือนกันนี่ก็เป็นวิธีสร้างกรรมแต่ถ้าเราทำดีด้วยจิตมีผลมากกว่าทำดีด้วยกายและวาจาทำดีด้วยจิตทำบุญกุศลด้วยจิตเช่นจิตเผลอไปรู้ทันจิตเผลอไปรู้ทันหรือเอาจิตมาทำให้เกิดความสงบ สงบจากนิวร์ทั้งหลายเกิดจิตที่เป็นสมาธิขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นการสร้างกรรมด้วยจิตเหมือนกันเป็นมนโนกรรมในทางที่ดีเป็นกุศลแต่คนที่ทำจิตที่มีสมาธิขึ้นมาแล้วทำฌานได้แล้วแล้เขาจะเอาฌานไปทำอะไรต่อเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเช่นเมื่อทำฌานด้วยกระสินได้แล้วเอากระสินนั้นไปทำทำลายคนอื่นเนี่ยเอาเอาสิ่งที่เคยเป็นกุศลเนี่ย เป็นเหตุให้สร้างอากุศลก็ได้นี่คือความน่ากลัวของสังสารวัตรทาสมาธิอยู่ดีๆนี่แหละเป็นฤาษีที่คนก็กราบไหว้บูชาอยู่นี่แหละแต่ก็ไปสร้างกรรมที่เป็นอะไรฆ่าคนทั้งเมืองอคนธรรมดา ย, ยังทําไม่ได้เลยใช่ไหมแต่คนนี้ทําได้ทําการทําร้ายคนเศกตะปูเศกอะไรควายควายธนูอะไรแบบนี้ ทำกันยังไงไม่รู้นะแต่มันมีจริงพระองค์ก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการสร้างกรรมเป็นการสร้างกรรมเป็นการทํากรรมที่เป็นอกุโสลกรรมและมีผลที่เป็นบาปมากกว่าคนปกติเหมือนเจ้าหน้าที่มีอาวุธเนี่ยนะเจ้าหน้าที่มีอาวุธเนี่ยเอาไปทําผิดเนี่ยเป็นโจรที่ร้ายแรงมากกว่าไอ้คนทั่วๆไปที่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ไปไ ป, ไปทำร้ายคนอื่นน่ากลัว